ทรัพย์ที่อยู่ในสวนหนึ่งรอยสองที่ชื่อว่าสวนได้แก่สวนดอกไม้สวนผลไม้ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในสวนได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในสวนโดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษุมีทยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในสวนหาเพื่อนไปด้วย หรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัต ON ทุกกฎจับต้องต้องอบัต ON ทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัต ON ทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัต ON ปาราชิกภิกษุมีทยจิตจับต้องรากเปลือกใบดอกหรือผลไม้ในสวนนั้นมีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอบัต ON ทุกททกฎทาให้ไหวต้องอบัต ON ทุลใจทาให้เคลื่อนที่ต้องอบัต ON ปาราชิกภิกษุเกา่า ตู่เอาที่สวนต้องอบัตทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอบัตทุลใจหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอบัตปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอบัตปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอบัตทุลใจ